เมื่อมีเคมาอยู่เธอทั้งหลายจงรีบทําความเพียมเพื่อให้คนทุกในวัดตาสงสารเสียเนอการท่องเที่ยวในวัดตาสงสาลมานี้ไม่ใช่เงื่อนใหม่เนอเป็นเงื่อนเกของพวกเธอทั้งหลายนั่นเองไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแกเจ็บตายไม่ใช่ของใหม่เนอเป็นของเก่าของพวกเธอทั้งหลายนั่นเองในโลกนี้พวกเธอทั้งหลายไม่ได้ท่องเที่ยวไม่มีเลยพะบรมสา มองดูหน้าดูตาของพวกเธอทั้งหลายที่อยู่ในไตรโลกธาตุพวกนั้นไม่เคยเป็นมารดาวิดาปูญย่าตาทวดตลอดถึงเมตตาถึงพี่น้องไม่มีเลยไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งเธอทั้งหลายเออจงพิจารณาโกงทําสังเวชเถอะเนอะกานช่องเที่ยวในวัดตาสงสารนี่ไม่ใช่้องใหม่เป็นของเก่าของพวกเธอทั้งหลายนั่นเองความแก่เก็บตายก็ไม่ใช่ของใหม่เนอเป็นของเก่าของพวกเธอ ทั้งหลายนั่นเองเธอจองพิจารณาตามเป็นจริงนะในรับหนึ่งหนึ่งถ้าพวกเธอทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ว่าน้าพระองค์ว่าถ้าเก็บหน้ามตาของพวกเธอทั้งหลายไว้ชาติขยลดอย่าให้อันตรธ า, านหายไปในช่วงรับหนึ่งก็มากมหาสมุทรสีมหาส 4, มาสุทรเนื้กระดูกของพวกเธอทั้งหลายแต่ละคนละคนเก็บไว้ ชาติหนึ่งก็หัวแม่มือยังให้อันตรธ า, านหายไปชั่วครับหนึ่งก็ามากกว่าภูเขาเหิมาอะไรแคแลหวจงปรธงทมสังเวศที่พวกเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวมาซัผู้ใดเติรในโลกทั้งปวงก็พูดนั้นเปิดในหลุมฐานเพลิง ทำอันนี้เป็นคำทีใช่ไม่ควรเนิ่นชาเน้อควรทำให้เร็วเรวเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังไฟไห้หัวของพวกเธออยู่ไม่ศีรษะของพวกเธออยู่พรุ่งนี้พวกเธอจริงจะดับมันจะถูกไหมชาจิพี่ทุกขาคือชาติเป็นทุกตูมเดียวท่านนกา่ก็ถูกเพราท่านไจรกรทานเลย ผมไม่เป็นชาติไม่ทุกข์หรอกไม่มีใครทักค้าเนนะี่ยชราพิทุกขะอีกตูมหนึ่งก็ถูกหมดเพราะทางใจโลกทาตุมาแนะนำพิทุขแข็งตูมขึ้นอีกความแก่พอเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เนอความยโสธาทาก็เป็นทุกข์เนอแต่ผมไม่เป็นทุกข์หรอกนี่ฉันไม่เป็นทุกข์หรอกไม่มีใครทัดค้าเนนะี่ยตูมเดียวเพราะทางใจโลกธาตุเลย ในถ้าคนน่ารากใจนี่เต็มไปด้วยของเปลือยเน่าเน้อเธอทั้งหลายจงพิจนายอยากไปหลงเนื้อเธอทั้งหลายจงตัดลมต้นไฟสัตัดไฟต้นลมสัราคาของพวกเธอทั้งหลายจะไม่จัดเรียกว่าพระพุทธศาสนาและรับโลกเอกโดยตรงๆรแล้ว เมื่อเห็นจากอนในร่างกายเต็มไปด้วย เ, ร, ยเรื่องเสื่อยสื่อยเน่าแฉดไหนจะเพิ่มราคะแล้วก็ถอยออกถอยโรคเอสดออกอีกอาเมศริติชาการก็ห้ามไมในชิ้นงานแล้วนะบรรเทาโรคเอสดแล้วทีนี้ถ้าจะพูดมากก็มาเหนื่อยแล้วแล้วเขาก็มาให้ลูกปูพูดมาก พ่อเป็นโรคหลายอย่างที่นี่ต่อไปก็ย่อยลงมาห้อยเพียน้องชาวพุทธนอนกําหนดตรมหายใจเข้าออกข้อมกับพุโ ท, ทโธธรรมโอสังโฆก็อยู่นั่นเล่อักษรย่อเฉยๆรักพุโ ท, ทโธธรรมโอสังโฆก็รวมอยู่นั่นพุโทโธแปลผู้รู้ระหว่าดบำเพ็ญบุญธรรมโอทรงไว้ซึ่งระหว่าดบำเพ็ญบุญ สังโฆปปัิวัิเพื่อรับบาปเป็นบุญจงเป็นผู้ทำจิตให้บันเทิงในการละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระุเจ้าทั้งหลายย่นลงมาเอวังเอลอะที้ยะาวาเิวาปุราปฏิปุเรนทิซาลาเอวามวายตุสินะเอทานังหุปัสสะติปิติจังปิติจังตุมาห์เจเมีวาสันิจดุสะพิปุเรนตุสังปา กันโทปะรละโทยถาบริโทตีละโทยถาสติทีวิวัตสัตว์มรรคโกวินักตุมาเตปวัตตวันตรายโธติสีกาโิโภเพราะอภิวาทนาสีนิสานิจังรุษาปะจายนุจันตาลุตธรมาวัจันติอายุวัโหสุขานุภาพด้วยเดพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณและประรงคีอยู่ทุการด้วยเมื่อเพินอยู่พระผู้รู้และไม่รู้ ได้ขึ้นอยู่ พ, พูเชื่อได้มาเชื่อและเหนือโลกดูทุกยุคทุกสมัยด้วยเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกส่วนหน้าที่มาในที่นี้พอดีที่มาในมาในที่นี้พอดีทั่วทั้งใจรโลกา ล, ลงกษัตริย์ความศักดิ์สเจริญได้เบ า, บญญาอาณาพุทธศาสญญานาพระพุทธมาพระพุติเจ้ายิ่งยิ่งเคลนใจโดยหดยหว่วนจนถึงที่สุกทุโดยไม่เหลือดูทุกเมื่อดู ที่นี่มีจิตอะไรก็ทำซะกทำไมมันหอนมันหอนเลยหอนมีจิตทุรอะไรก็ทำซะเอ อ, เ อ, อทำสักว่าน้าโมูรมันเลยนมโมตสาปาะควะโตอาระหโตสัมมาธรมพุทธสานมโมจตสา มัคคุวโตอาระหะโตตัมมะตัมุัสสะนะโมัะควะโตอรหโตัมมัมุัสสะอาคุณว่าตามกับผมนะครับอมานิ ม, นมยังพันเตนเบสุกูละยวารานิ สัพปริวารานิพิกุสังคัสสะโมโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิบางสกุลจีวราณิสัพปริวารานิ ปฏิคันหาตุาตอำหากังงีขรรตั ง, อ, ตงอิตาย ะ, ายะสุขายะข่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข่าพระเจ้าทั้งหลา ย, ข, าาายขอน้อมถวา ย, วายซึ่งผ้าบางสุขุลจีวร กับบริวารทั้งหลายนี้แก่พระสงฆ์ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับซึ่งผ้าบางสุคุลจีวรกับบริวารทั้งปวงนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายาพ เ, าาเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุ ข, กสขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายาลาสิ้นกาลและนานเพือนรกรกับมาอับประโลกนะมาอับประโลกนะแล้วก็ให้โยมห่างออกสักหน่อยแล้วก็มาอัโประโลกนะ โยมออกจากนัตบาตร์บปลุกนะทำไมอับปลุกไปอ๋อสาธุอะไรอ่ลเรนนี่ที่นี่ก็เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวทักนะแล้วก็ ให้นอนหลับาคาภาวนาเลยกำหนดลมหายใจอ่อรักษาเอาของท่านผู้ใดของใครของมันรองเท้าจำไว้ให้ดีใครถอดไว้ที่ไหนมักจะทิ้งมักจะทิ้งไว้ที่ถ้าสองสามคู่เก็บไวาให้เจ้าของ พวกผู้ชายขึ้นไปนอนข้างบนซักพวกผู้หญิงนอนข้างล่างแล้วก็ห้องถ่ายอยู่ทางนี้เนาะอห้องถ่ายเนะ้ะห้องถ่า ย, ยทางนี้ห้องล่างปีทางนี้จะพากันไปหลงลก็้พะพนักงานก็มารับษาอยู่หลายฟันอยู่ ฉันตำรวจมารักษาอยู่ข้างบนก็มีข้างล่างก็มีที่นี่พรุ่งนี้อยู่ดีอยู่ดีกินดีแล้วก็ทานอาหารเชียก่อนเราจงไปมันลำบากมาทางหน้ามีทารากปันกันเลยละยืนเอาท้าไม่มีที่นั่งยืนจิ น, นเหมือนตำรวจทหาร ก็ไม่ต้องด่วนปล่อยให้เข้าไปห้องหนา้าห้องถ่ายจะีก่อนเพราะมีพี่น้องมาต่างทิศมากเป็นมิตรเป็นสหายซึ่งกันและกันทุกส่วนหน้าถึงจะมีผู้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาหน่อยกว่าตามก็เป็นมิ่งขวัญของโลกอยู่ถ้าพระพุทธศาสนาไม่มี อยู่ในโลกนี้เสียงร้องไห้ร้องห่มเสียงสาบเสียงแช่งเสียงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ไม่มีทวัดดีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องมาจากไหนก็มาจากอายุวันโนสุขังพลังของพระนั่นเองพระบรมศาสตราสอนเมตตา เมตตาเครื่งกันและกันเมตตนจัตตัคโรกัตถะเหมิงเพเมตตาลงจนถึงอนัตตาธรรมถ้ามันไม่มีเวรไมภัยโยนี่สีทุกท่อ น, น่ายจงเป็นสุขในพุทธองค์สงศ์อยู่ทุกมเมื่อเธอหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขฝันก็ไม่เห็นลามกอันชั่วร้ายเพ่เมตตาเป็นอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวรไม่มีภัย ยืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียังไม่หลับเพียงใดก็ระลึกถึงเมตตาได้เพียงนั้นนี่กรรมฐานแต่และอย่างละอย่างส่งต่อพระนิพ涅槃ทั้งนั้นส่งต่อเทวโลกพุทธโลกทั้งนั้นเพรแต่ให้เราทำพุทโธก็เหมือนกันพุทโธก็ไม่มีพระคุณไม่มีประมาณพุทโธไม่ได้สอนให้เบียดเบียนกันลราแพ่เมตตาเป็นพุทโธไหมก็เป็นพุทโธไหมือนันเพราะพุทโธไม่ได้สอนให้เบียดเวียน ก, กัน ขอให้มีเมตตากรุณาเึื่องกันและกันเอาลนานที่นี่นะเป็นสุกเนอะนอนหลับทาภาวนาเนะรักษาของใครของมันเนอ ะ, อะทางนั่นทิศตะวันออกทางนี้ทิศตะวันตกนี่กรุงกรุงเทพอยู่นี่ นี่ทางทิศเหนือเนี่ยนี่ทางทิศใต้พระบรมศาสดาบอกเธอไปอยู่ที่ภูที่เขาเธอจงจําทิศให้ดีลุกขึ้นแล้วเธออย่าไปเผลอเธอนอนพิ้นหัวไปทางไหนเธอจ้องจำให้ชัดทิศเหนือใต้ตะวันตกตะวันออกอยู่ที่ไหนเธออย่าไปหลงเดี้ยวเธอจะไปตกเหวจะไปชนหลักชนต่อ หรือก่อนหินเธอให้รูกชัดเสียก่อนจึงลุกไปเนอะพระบรมศาสดาสอนสอนในพระวินณยเธอจำทิศให้ดีเธออย่าลุกได้ลุกไปเธอให้ชัดเสียก่อนจึงไปเดี๋ยวเธอจะไปตกเหวเธอจะไปช น, นหินอีก ดิฉนหลักชนตรสารพัดบอกมดพระบรมศาราไปถ่ายข้อบอกเธอไม่ป่วยไม่ไข้จะ่ไปยืนถ่ายอุจาระถ่ายพัสวะเนื้อนั่งลงเสียก่อนพระบรมศาลาชั้นอาหารก็บอกคำข้ายังไม่ถึงปากเธอจะไปอ้าไว้เนื้อ แห้มันถึงเสียก่อนเธอยาไปฉันแลบเล่นเนอเหมือนงูท่านพูดนะเธอย่าทํากระปุ้งแจ่มให้ตุยเนอเหมือนดินเธอย่าไปฉันดังจับจับหรือดังทุสูนะ้เนออย่าไปเรียมือเนอะระบรมาสาตรกาเมื่อคาเข้ายาไปถึงปากเธออย่าไปอ้าปากแวยท่าเนอนเะมื่อฉันอยู่เธอย่าเอาเนี่ยมือสอดเข้าปากเนอะ เมื่อคเข้ายังมีอยู่ในปากเธออย่าไปพูดเนอกลกนเสียก่อนเธออย่าไปขันแรบลิ้นเหมือนเหมือนงูเนอะ เ, ออเธออย่าไปขันแรบลิ้นเสียปากเนอฉันก็บอกตากผ้าก็บอกเวลายก็ตากผ้าเธอรูดสายเสี ย, ยก่อนจึงตากผ้าเนออย่าไปตากนานนักเดี๋ยวมันจะตายสี บาทนั่นเธอร่างแล้วให้เช็ดให้ดีเสียก่อนจึงไปผึ่งแดดเน้ออยากผึ่งนานนักมีบาทในมืออย่าไปผลักบานประตูเดี๋ยวมันตีคืนบอกมดัดที่ไหนมาพระองค์ไม่บอกไม่มีศาสนาพุทธวร เป็นขันนะนะ้นที่หนึ่งศาสนาพระปกเกศเป็นขั้นที่สองศาสนาพระธรรมารีนาศกสาว ก, า ก, า ก, า ก, ก, ากเป็นขั้นที่สามพระธรรมารีนาศกผู้หญิงเป็นขั้นที่สี่เทนาพุตตุลีอะระหังจึจนพระนาคาเมย์เป็นชั้ น, น, น, ทนที่ห้าพระสัคคทาคามเป็นขั้นที่หก พะสดาวันเป็นชั้นที่7ก็บบุตรชคนหนาเป็นชั้นที่แปดชั้นที่หนึ่งพระธามาพัะพุทธเจ้าชั้นที่สองพระเจกษชั้นที่สามสามกอรหันต์ชั้นที่สี่ส า, าสาวิกาอรหรันต์ ขที 1> ่1พระพิสขั้นที่5พระอนาคามีเป็นเพศชายขั้นที่6พระนาคาเป็นเพศหญิงขั้นที่7พระประาาัะาบางเพศชขั้นที่8เพศหญิงขั้นที่9พระโสดาวังเพศาขั้นที่10พระโสดาวัง เสด็จถึงท้าไล่ิสตราล้าจะว่าพุทธสี่จำพวกละมาสะมพุทธ 1, ะจำพวกทีหนึ่งพระเจ้าพุทธะจำพวกที่สองแล้วก็ฟ้าวิกลาพุทธจำพวกที่สามธนาคารจำพวกที่ส รัชกาลลำพว่ที่ห้าพระดดาวน์ลำพวกงที่หก 6. คำสอนนพุทธศาสนาใครอยู่ระดับใดก็โอนคำสอนมาในระดับของตัวพวกพระหัน ก็โอน้นคําสอนที่มันมีกิเลตรสชาติที่มันมีกิเลตเป็นที่สุดของความเห็นและความปรพฤติของตนและผลของความประพฤติและโสดาบันละกิเลสเป็นเอกเทศแระสัจธรามีก็เป็นเอกเทศไปละเอียดกว่านั้นพระอนาคามี ก็เป็นเอกเทศและเย่ซกว่านั้นพระหัรจบเส้นเกยรทั้ทงปวงพระกษเจก็จบทั้งปวงพระสมัยพระพุทธเจ้าก็จบทั้งปวงปแต่ว่าจับเป็นที่หนึ่งรัทในในธิดใดๆศาสนาใดๆเขาทามถ้าเอาราคะไปบวก ยึดบวกใจให้หนักขึ้นถ้าเอาโทรศัพไปบวกยึดบวกใจให้หนักขึ้นถ้าเอาโมหะไปบวกยึดบวกใจให้หนักขึ้นอันนั้นก็ไม่เป็นทางที่จะพ้นทุกข์ถ้าบันทอนราคะให้เบาบางลงจนเสื่อแทงหายไปถ้าบันทอนโทรศัพให้เบาบางลงจนเสื่อแทงหายไป ถ้าบันทอนโมหะให้บาวางลงจนหัวแน่หายไปอันนั่นแหละคือทำเป็นของกลางแท้เป็นทำฝ่ายเจริญนั่นนั่นไม่ใช่ทำฝ่ายเสื่อมเป็นว้นทางไปสู่พระนิพานโดยแท้ทําไมอย่างนั้นแล้ว่าเป็นหน้าหลายร้วนก็เป็นคนร้ายชัเป็นมดไายขอบดง้งมันเจริญก้าหน้า ก็โสดาบันในทางว่าพุทธศาสนามีความหมายยังไงบ้าไม่ใช่ได้ยากอยาถือว่าไม่มีบาปเมืองบุญเชื่อบาปเชื่อบุญเต็มภูมิและก็บัญญัติบาปบุญถูกด้วยไม่ใช่ได้อยากเร่องละเมิดเทน่าไม่ใช่ได้อยากเร่องละเมิด อ, อบายยมุข เม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใชได้อยากจะถือเลือกดียามดีต้นทําดีในเวลาไหนก็ต้องเป็นเลือกดียามดีของตนในเวลานั้นต้นทําชั่วในเวลาไหนก็เป็นเลือกชั่วของชั่วความชั่วของตนอยู่ที่ดวงใจในเวลานั้นไม่ได้กล่าวตัววันเดือนปีภายนอกกล่าวตัวก็กล่าวตัวจิตใจของตน ให้คะแนนก็ให้คิดคะแนนจิตใจของตนที่ทําดีถ้าทําชั่วก็ทิ้ตเตียนจิตใจของตนอันนั้นเป็นภูงความสุขเดรัจโนไม่ใช่ได้อยากลองแล้วก็เสียหน้าไม่ใช่ได้อยากจะถือศาสต า, สาอื่นไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ได้อยากจะถือเรืองดียางดีไม่เป็นการถูกของภายนอก ดีก็ตนเป็นผู้ทำขึ้นชั่วก็ตนเป็นผู้ทำขึ้นแล้วผู้อื่นก็เป็นเรื่องของท่านต่างๆต้องถือมีขอบเขตอย่างนั้นภูมิปัตยสุรดานันในโลกนี่ไม่มีใครเชื่อเขาพูดเขามำประสงค์ก็ตามเราจะเชื่อคนเดียวุ่มิปัตย์สุรดารันถ้าไม่มีใครเชื่อกำและผลของกรรมก็ตามเราก็จะเชื่อของเราคนเดียวคดีดำคดีแดงในโรงในศาลมันจบกเกษียณเป็น กรรมแม้ผลของกรรมที่ทําดีนะช่วยจบเกษียณมาเป็นตามไปทุกชาติทุกภพทุกเทปโนต้องถืออย่างนั้นดิ่งลงถอนมาออกค่าขายสครื่องาหค่าขายก็มีขอบเขตเหมือนกันพระโสดาบันค่าขายสัรื่องาหค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นและเนื้อสัตที่ตัวข้าวตัวเป็นอาหารค่าขายน้ำมอค่าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายอย่างกวางละเมิดเลย หินห้าก็ไม่ใช่ได้อย่ากงละเมิดจองเวรก็ไม่ใช่ได้อยากจะจองเวรเขามาทําผิดเออถ้าเคยทําเขามาใจชาติ่ออยแล้วกันไปซักท่านควรนึกในใจอย่างนี้ถึงจะพูดออกอวดรู้ไม่พูดขอตามท่านต้องนึกอย่างนี้ตกลงใจท่านอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเขามาก่อใหม่ก็ให้เรากันไปซักเราจะไม่ตอบแทมท่านผู้ใดเลยเรื่องจองเวรผูกใจเก็บของเรามีโกรธอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับจองเวร นั้นพระโสดาบันจึงปิดอบ า, ายยภูมิซะตายวันไหนก็ไปมนุษย์ก็สวรรค์เท่านั้นนัดจีนฉันมยไปเปรตมาไปอาุรกายเข้ามาเปรตอาุรกายเปรุจริพวกมาไปนรกทุกข์จำพวกมาไปเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นสูงถ้าไปสวรรค์ก็เป็นสวรรค์ชั้นสูงด้วยกปนโลกุตรละสวรรค์โลกุตระมนุษย์ไม่ใชงโลกีจึงไหนที่ท่านไม่ เสียดายลงละเมอสิ่งนั้นมันก็ไม่นักใจเมันน้ำลายที่บุ่นขึ้นแล้วมันเสียดายอยากเอาคืนมามันก็ไม่นักใจเมัอนลุ่มทางเพลิงไม่เสียดายอยากลงไปดุมันก็ไม่นักใจเหมือนขวากและหนามไม่เสียดายอยากไปเหยียบมันก็ไม่นักใจเหมือนงดพูดไม่เสียดายอยากไปเหยียบมันก็ไม่นักใจความดีคนดีทำงายง่ายความดีคนชั่วทำยาก คนชั่วคนดีทำในยากคนชั่วคนดีคนชั่วทำในง่ายมีความหมายตรงกันมังความหมายตรงกันข้าวถ้าถึงปสจจุบันแล้วรัาคาลานาคามีอาหารก็เปิดประตูไปเองไม่ต้องสงสัยในทางเดิมและก็ไม่ค่อยล้งด้วย ใครเรียนนโมจบก็คือพระหารรมเรียนโนโมจบนโมแปลว่าน้อมน้อมพระหารน้อมน้อมจะไม่มีโรคโกดหลงแล้วได้มาเกิดแก่เจิดตายถ้าปวดคขาก็นั่งตามสบายนั่งตามสบายกรรมและผลของกรรมนักที่ใดๆก็าตามจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นปัญหากรรมและผลของกรรมก็ตา ม, ามเธอไปอยู่เหมือนเงาตามตัวละละเอียดกว่าเงาอีกซะด้วย เงาจะเห็นได้แต่ในที่แจ้งฉันมีแสงาอาทิต์หรือแสงไฟเงากายส่วนเงาใจองกรรมและผลของกรร ม, มที่ทำเนีละทำชัว่วติดตามไปอยู่ไม่มีกางวันกลางคืนจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวมันเป็นปนัญหาเหมือนหนังเือกเ อ, นกอน็นกระดูกยในกระดูกว่าพอใจตาฟังฝืงนใตปลอดใจใหญ่น้อยอ่านใหม่อ่านเก่ า, า, กามีเป็นธรเดิน ดิเสรแ้วงืองือมันก็นำตาไปมานานลาแล้วมัไขพนมูนี่เป็นธน้ำไฟที่ยังกายให้อกุ่นไฟที่ยังกายชุดตรงไฟที่ยังกายให้กงวไฟที่เผาอาหารให้ย่อยลมพัดขึ้นบางบือนลมมากเรองมหาลงอวกลมพัดลงก็ตั้งลงในซ่องลงในไส้ลมพัดไปตามตัวลมพัดใจเข้าลงหาใจออกใครจะรูตัวว่าจะมีาตสีน้ไฟลมหรือไม่ขอตา ถ้าสี่ดีน้ำพะโล่ก็มีอยู่ก็ไปตามบุคคลที่สมมุติอยกรรมและผลขก็กรรมก็อันเดียวกันเราจะสําคัญว่ามีคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ก็าตามคนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่จริงอยู่ใครจะรู้ตัวว่าอากาศผ้าเน่ยไม่มีก็ไม่มีก็าตามมันก็มีอยู่อย่างนั้นใครจะรู้ว่าเข็มทิศมันชี้ไปในทางทิศเหนือหรือไม่ ก็ตามมันก็ขี้อยู่ไม่มีระวังเกินไม่ไม่จะเครื่องมันเสียใครจะรู้ว่นาน้าพ่อหน่องคลองเบึงบางต่างไรลงสู่มห า, าสมุทรโดยไหนรู้ตัวท่านใดก็ตามหรือไม่รู้ตัวก็ตามน้าพ่อหน่องคลองบึงบางต่างๆก็ไร้ลงสู่มหาสมุทรเลโดยไห่รู้ตัวท่านนั้นนึอันเดียวกันความจริงไม่นี้นจากความจริงใครจะทํานายความจริงไม่ได้ผู้ลุยรุ้มฐานเพอ ก็ให้หล่นฐานเพิงสังขารนาเอาใช่ไหยผู้เว่นก็สังขารนาเว่นแล้วข้อก็ามไอ้ร่อน mm hmm. เหตุนั่นกรรมและผลของกรรมจึงมีอยู่ทุกนยาบทของเกิดของใจเหตุนั่งผลของกรรมก็นั่งเหตุนึกเหตุคิดผลของกรรมก็นึกคิดเหตุโทษผลของกรรมก็พูดด้วยเหตุฟังผลของกรรมก็ฟังด้วย เหตุด้านกรรมและผลของกรรมจึงมีอย right. right. right right right right ู่ทุกอเรียาบทของจิตของใจเหตุนั่งผลของกรรมก็นั่งเหตุนึกเก็ดคิดผลของกรรมก็นึกคิดเหตดโทษผลของกรรมก็พูดด้วยเหตุฟังผลของกรรมก็ฟังด้วยเหตุเข้าใจผลของเข้าใจด้วยเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจ เห็กับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเมื่อเห็นกับผลมาอยู่ห่างกันพอนเก้ า, ากจะปฏิเสธผลของกรรมพอปฏิเสธไม่ไม่ได้เหมือนกันเหตุเมตตาผลของคิดของใจก็เมตตาเหตุอาฆาตจองเวรถูกใจเจ็บผลของคิดของใจก็มอมาอาฆาตจองเวนผูกใจเจ็บ เหตุนึกที่โลกผลของกายก็มาที่โลคใช่ไหมเหตุนึกสมาสามธีผลของกายก็นึกมาสมานสามธิเหตุผลของเวทตาปาณีซึ่งกันและกันผลของเวทตาปาณีก็มาหาใจใช่ไหมทำดีก็ไปบอกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบอกก็อยู่ที่ใจใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหานั่นทำสอนโคตรศาสนายศลงนั้น เหตุนั้นคาสอนพุทธศาสนาะ จ, งจึงเน่นเลว่าลงทํากิจให้บันเทิงในการและชัว่วทาดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าสั่งลายนะใครเป็นผู้สร้างขึ้นก็พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นพระพู้เป็นเจ้าจิตเจ้าใจของใครเข้มานั่นเองสร้างขึ้นความอยู่ของชั่วจะไปกล่าวถึงายนอกความไม่รเราเป็นผู้ที่บอกทางเท่านั้นก็บรามศาสตร์ เราจะทำแทนไม่ได้ม่วงนอนก็นอนเองกระหายน้ำก็ดื่มเองเนื้ออาหารก็ทานเองเราเป็นเพียงที่บอกเท่านั้นเราจะทำแทนท่านผู้ใดไม่ได้เหตุนั้นเราจริงเขารับทำถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจรึงสามารถรู้ทำได้เหตุนั้นเราจรึงเขารับทำทต้องฝ่าดีและฝ่าชั่ว ทำฝ่ายช่วยเราก็เคารพมันว่วงละเมิดทำฝ่ายดีเราก็เคารพรักษาไว้เคารพหลงประตากตลดพูดให้มาถึงใจเลยใจ้มีอิสระอยู่ทุกสั้นต้องมีอิสระในทางทาดีสืน้นามมาประสมเห็นกุเห็นดีก็เว็นไหวแต่ตาไม่ดีตาโม่หรือที่มันมืด คำสอนพุทธเจ้าสอนใจใช่นหมน่ะคนว่าใบเสียชีิตผิดนุษย์ก็ไม่ได้สอนส่อทิ้งเลยไม่ใช่รังเกียบเหมือนก้างปลามันไม่มีประโยชน์ก็เลย เ, ลเราไม่เกนจริงสะแเรวไม่ใช่รังเกียบมันนั่งตามสบายคุณหนูนั่งตามสบายเก็บปวดขาใช่ไหมนั่ง นั่งตามสบายเลยแล้วกูไม่ถือดอกฮะเออนั่งตามสบา ย, ยานั่นแหละขาไม่ค่อยไหวพระเวไนเขาบอกได้ ว, ว่าเราจะไม่แสดงคำเกียวกัคนที่ไม่เป็นไข้มีร่มในมือสองเราจะไม่แสดงคำเกี่กัคนที่ไม่เป็นไข้มีใบฟองในมือสามมีสาตราในมือสีอาวุธในมือ หาสวมเสียงเข่า6สวมรองเข่าเจ็ใในยานแปดอยู่บนที่นอนเ้านั่งรัดเขา่ 10, าทิ0พันทิพย์รีัก์แต่คนไข้ก็เว้นอย่นไหมคพรางคนไม่ไข้ที่เที่สองเรานั่งอยู่บนแผ่นดินจังไม่แสดงธรรมแก่คนไม่ไขู้้นั่งบนอาสนะสูงที่สามหัวที่เอ็ดอมไม่พอในมือศาสตจาในมืออาวุธในมือ สวมเสียงเข่าสวมรองเข้าไปในยานอยู่บนที่นอนนั่งและเข่าพันสีสะคลุมสีสระเรานั่งอยู่บนแผ่นดินจะไม่แสดงความเกลดคนเมื่อใู้นั่งบนอาสนะเรานั่งอยู่บนอาสนะต่ำจะไม่แสดงความเกลดคนเมื่อใู้นั่งบนอาสนะสูงเรายืนอยู่จะไม่แสดงความเกลียดคนเมื่อึ้นพักเราเดินไปข้างหลังจะไม่แสดงความเกลดคนเมื่อใู้เดินไปข้างหน้าเราเดินไปนอกทางจะไม่แสดงความเกลดคนเมื่อใครพู้เดินไปในทาง ไมายความคนเป็นไข้เนี่ยยกเลิกบัตร เ, เขาจะนอนอยู่นักประเทศก็ได้จะ แ, แยดแช่งแยกขาประเทศได้จะใส่รองเท้าอยู่ประเทศได้จะกันร่มอยู่ประเทศได้จะพันีสางคุมที่สางประเทศได้ไม่เป็นอาบัตสุกดพระนั่งอยู่ตามสบายอย่นั้นละเกงใจเกงใจทําเลยทํายกเล่นแล้วยกเล่นคนป่ยวยคาของพระองค์พูดพอดีแล้ว นะอะโอ้ลนะชุบก็แบบก็เรามุ่งทำดีมันก็ไม่เป็นปัญหา วก็ค่อยทำไปวราเราวังอุทิศ ต, ต่อพระสมานเจ้พุทธเจ้าแล้ววังอุทิศ ต, ต่อพระนิพพานแต่ก็เราการงูลค่าที่ได้มาก็ให้ได้มาโดยเป็นธรรมเออโดยพระพุทธแล้วเราก็มดเรื่องผมก็เหมือนกันผมทำศาลานี่ก็เจอปัญหามันกันเจอปัญหามาก แต่ว่าผมก็ป่อยเออเออตามตามเถอะตมไม่ได้แผลได้พอใครมีมาแล้วก็ทําม่มีแล้วก็ติดไว้ผมไม่ได้ทำอีกนั่ไม่ได้ทำอีกล่ะเนี่ยผมเอาซาลาเป็ยนโบดเลยเดียนี้สงครามซีมาอืออืออือเห็นอานิจจังคณะเจ็ดหนึ em ่งเห็นโลกว่านันความแจ่มส <trans istance> ูงเพโลกจะไปด้วยอนิจจ <k> ัง เห็นทุกคณะเจี๊หนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเพราะโลกเต็มไปด้วยทุกเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนนี้แต่เกดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแต่สลายมีแต่ทุกทั้งมวลในใจโกลกธาตุก็เห็นโลกรอบหนึ่งเหมือนกันเห็นดินน้าไฟลงคณะเจี๊ยหนึ่งก็เห็นโกรอบหนึ่งเหมือนกันพะโลกเต็มไปด้วยดีน้ําไฟลมทาดีก็ดีวัตถุนิยมเราก็ชมมาดีอยู่แต่มันอยู่ในอู่ของอนิจจัง ทําขึ้นมาจากธาตุดินน้ำไฟลมแต่สลายลงไปก็แตกฟ้าเส็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเหมือนกันส่วนบุญก็ไปหาบุญส่วนบาปก็ไปหาบาปส่วนนักผลไม่านก็ไปหาเมขผลไม่ฟานอันนั้นเป็นด้านจิตใจเลยนั่นได้ในโลกล้วนอนิจจังได้ในโลกล้วนทุกขงังได้ในโลกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะพระดิจั ง, งนะเพราทรางปัจจุบันด้วยนี่คําชั้นสูง เมื่อทำชั้นสูงศีลก็สูงขึ้นสมาธิก็สูงขึ้นปัญญาก็สูงขึ้นศีนกับสมาธิปัญญาแยกกันไม่ได้ยา่าพอใจทึกขาเมื่อศีลสูงสมาธิ ก, ก็สูงปัญญาก็สูงอะไรที่ขาก็สูงขึ้นแปดหมืม่นศีลเขาทำอาคารก็สูงขึ้น เียนสมาธิปัญญาพัสดารันไตรสี่ขาพัสดารันไตรสีขาสัขาสามไตรสขาพระอนาคามีไตรสี่ขาพระอรนพระหนตเรียนไตรสี่ขาจบแล้วและปฏิบัติก็จบแล้วทำแต่ละวรบัตตรงต่อพระนิาหมดนโมพัสดารันนอบนอบนโมแปลว่านอบนอบพัสดารันนอบนอบไม่หลงทาง น้อมๆไม่ใช่ได้อย่างรอกอาบายมุกดังที่ว่ามาแล้วนั้นเป็นต้นถ้าอนาคามีนโมพระอนาคามีน้อมนอมละเอียดางเสกวาณิชยนนโมพระสกทาสามีน้อมจะไม่มีราคะน้อมๆจะไม่มีโทสะนโมพระอรหันต์น้อมๆจนไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะทั้งสามแตกสะเจิงเลยอวิชชาตระหนัอุปาทานก็แตกสะเแม้ว่าน้อมๆเรียนวิชาเรียนนโมจบแล้วก็ นโมพระพุเจดก็รอบมจนปฏิบัติจนถึงพระพุทธเจดนโมพระธรรมทั้พระศาสดเจ้าก็รอบมจนเป็นสรมมาทั้พุทธะอรหันต์พระเจดอรหันต์ไม่ยิ่งห่อนกว่ากันยันนโมตแล้วนโมต่ำกว่าพระโสดาบันลงมาเป็นนโมอบายสมุขเป็นส่วนมากนโมเล็กนโมอัจโมบัดนโมเบร์นโมนั่นนโมศดียามดี แ, แต่ละพัดละละโมตำกว่านั้นลงมาทําแต่ละวัฏบาส่งต่อก้อนนิหพานหมดก็ ม, กมาทานแต่ละอย่างละอย่างก็ส่งต่อก้อนนิพพานหมดนันเองก็มาทานแต่ละอย่างละอย่างมีครอบใจชิขาลพุทโธตัวเดียวก็ครอบใจชิขาพุทโธมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาธรรมโอก็ส่งไ้ ซึ่งเสียงสมาธิป <condemned unts Fred ki> ัญญาสังโฆก็ป็จิบวัตรเสื่อเสียงสมาธิปัญญานั่นก็มีความหมายอนเีวกันพุทโธทพุทโธโลคีก็พุทโธเรียกพุทโธหาพุทโธบัตพุทโธเบยใช่ไหมธรรมโมโรคีก็ธรรมโอเรียกธรรมโอหาธรรมโอัตธรมโอเบยสังโฆก็เหมือนกันแบบมั้นก็ขึ้่นอยู่ตามระดับจิตของใครของมัน ผู้คิดสูงก็น้อมธรรมะขึ้นสูงพูกที่ต่ําก็น้อมธรรมะลงมาต่ำอาจจะแค่ธรรมะไม่ได้เข้าข้างผู้น้อมแล้วก็น้อมไม่น้อมทำที่เป็นโลคีก็เป็นโลคีอยู่นั่นเองทำที่เป็นโลกุตระก็เป็นโลกุตระอยู่นั่นเองใครจะน้อมหรือไม่น้อมไม่เป็นปัญหาเป็นจริงอยู่ต่อไปนี่ก็จะให้พรเนาะมีคาให้พูดมากเลยเอานั้นซือมาให้ที่นี่พวกคุณจะจะพักอยู่ที่นี่ใช่ไหมจะกลับไปไหน ให้พรนะ เ, เดี๋ยวจะเอาน้ำเสื้อมาแจกใครเว้ยน้เสื้อมาแจกให้คะแจกให้พรฮะเออทไมรู้ จ, จักว่ามีภาพเอเอมาเอาภาพมาให้ไว้ภาพมาให้สัเอานเสื้อมาให้เอาภาพมาให้ อย่างอือนไม่มีหรอกมีแต่รูปรูปก็ไม่ได้ถ่ายหรอกครับครูเขาไปพิมพ์หนังสือแล้วเขาถ่ายมาให้เขาไปพิมพ์หนังสือเขาก็ถ่ายฟรีมาให้แล้วครูไม่ได้บอกแล้วซื้อก็ฟีเหมือนกันเขาก็เขาก็เขาก็พิมพ์มาให้ฟรีแล้วก็จ่ายฟรีมือนกันรูปเขาก็พิมพ์มาให้ฟรีแล้วก็จ่ายฟรีเหมือนกันให้อะไรเป็นทานก็ไม่ชอบให้ทําเป็นทานให้ทําเป็นทานเท่าทานทั้งปวงอารวมณ์ของจิต เรียกว่าจิตผู้นั้นมีที่พึ่งเรียกว่าจิตผู้นั้นกินอาหารดีคืออารมณ์ของพุท ธ, ธังสง์ผู้ใดมีอารมณ์ของพุท ธ, ธังสง์เป็นเครื่องอยู่เรียกว่าผู้นั้นมีจิตกินอาหารอันไม่แสลงอันเป็นบุญมัคคารมนาธรรมาเรียว่ามัคคารลมมัคคาเหตุกาธรรมารเป็นเหตุ ให้ปฏิบัติมัคคาริปฏิโนธรรมคือเป็นปฏิบัติอยู่ในตัวอารมณ์ของจิตทําไมมีผู้นักศึกษากุศลศาสนาน้อยนะก็เพราะเหตุว่าเขาพึกษศาสนาเป็นของสูงเป็นหน้าที่ของผู้มีบารมีแก่ข้ามาจริงจะเรื่อมใสผู้มีบารมีอ่อนอยู่ก็จําเป็นก็ก็จะอากาพอจะอาขาจะไปเรียนมัธยมเลยมันทงไม่ได้สูงไหมแล้วแค่นี้ ใตอนยะถาวานิวาภูราุรติสารนาอววอิโตเทนังเปตานังโอปะกปฏิทิฏังปฏิฏังสุมังคีเปเมวะสัมมิจตุเจเริยตุสังกปาันโทีนาโสยะถาวานิโชติรโสยถาสพิทโยเยวะฉันตะสัพตุโกสัพพโยสัพโรโกวินัสสัตตุมาเตผวัตตนตระโยสุปิสีกาโยโกผะอภิวะธนสีริสนิจังวุฒาปจั ยีโนชตาโรธรรมวจันติอายุนโนสุข no ังพระด้วยพระพุทธศาสนาะอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณและก็ทรง์มีอยู่ทุกการด้วยนั่นขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้เมื่อเป็นอย่งนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี่พอดีที่ไมาในมาในที่นี่พอดีทั้ทงใจโลกาต้องประสบแต่ความสุขความเจริญในบว ร, บ ร, บรและพุทธศาสนาะของพระธรรมารพระพุทธเจ้ายิงๆขึ้นไป ันถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยดว่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อถือทังไม่เข้าสู่พระ涅槃ถ้าเข้าสู่พรนะ涅槃ตอนแรกไปแนวไปสักถ้ายังไม่เข้าสู่พณะา槃ก็อยาให้มันอดมันอยากเลยถูกไหมเตือนหัวก็คือเตือนหัวใจนั่นเองเป่าหัวก็คือเป่าหัวใจนั่นเองเป่าหัวก็คือเป่าหัวใจนั่นเอง เตือนหัวก็คือเตือนหัวใจนั่นเองให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ะรถน้ำก็เหมือนกันรถใส่หัวก็คือรถหัวใจให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้ำมนต์ก็แปลว่านี่มนต์จิตนีมนต์ใจให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองถูกไหมผูกแขนก็เหมือนกันผูกยึดผูกใจให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อธิษฐานแล้วอธิษฐานแล้วอธิษฐานเป่าจิตเป่าใจให้ถึงว่าพุทธธรรมประสงค์เตือนจิตเตือนใจให้ถึงว่าพุทธธรรมประสงค์เขาไมอบกายถวายชีวิตต่อพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมือ่อแล้วเลิกได้ไม่เลิกได้กนนีผูกขาดจองขาดตามเท่าเข้าสู่พระได้ผ่านเลยก็เรี ย, ยกว่ารถนมนตอยู่ให้มีกลางวันกลางคืนก็เรียกว่าเป่าหัวอยู่ให้มีกลางวันกลางคืนคือเป่าหัวใจนั <laughs> ่น พูดโทตโมสโกพูดอย่างนี้มันจึงไม่เป็นไสยศาสตร์ทําไมพูดอย่างนี้มันเป็นไสยศาสตร์เราจะเป่าสักเพียงไหนก็ตามถ้าเราพูดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไสยศาสตร์กราบก็คือกราบจิตกราบใจให้ถึงพระพุทธพระธ ร, รมะสองค์อยู่ทุกเมื่อไหว้ก็คือไหว้พระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่ทุกเมื่อ พุทธคำสงสุงอยู่ที่ใจของแต่ละท่านแต่ละคนอมทายซะแล้วก็มีผู้ชายมาด้วยเดี๋ยวเขาจะว่าะนิกรกอืออืเอเขาเขาเดาอือ อ่าพวกผู้ชายมาเป็นเพื่อนด้วยถ่ายให้ติตผู้ชายด้วยผู้ชายมาเป็นเพื่อนด้วยชองปฏิวัติเพื่อผลทุกนวัตท้องศาลเยเีะจ้ะมู้โตเชียบหามึงโกรนผมเช่หนึงห่งวะแค่ห้าเดือนหนึ่งจะโกนชีน่ยจักรอข้อบวดจะกอจะสุดกรจ้าชุดสองพันสี่ร้อยเจ็ดเชี่ายา มันต้องถึงภาว่ะน่ะปนเดือูมาเนี่ ย, ยเพื่นได้เอารัดอันใดเนี่ยมาปนเดือนนึงเอารัดตามเขาไว้หน่อมาปนเดือนหนึ่งจปนเที่ยวาเมืองกับพผิดิษจะปนเดือนนึงท้งกับพผิดถ้ามาให้เอาผมมายาวเกินสององค์คุณีแล้วมาให้เกินสองเดือนถ้าเกินสองเดือนจะมายาวถึงองค์คุณีก็ตามจะขอให้โปน ยาวสององค์คดียาวยาวสององค์คดีถ้าไม่เอาผมไม่ยาวเกินสององค์คดีถ้าไม่ถึงสองเดือนก็ให้โกนถ้าหากว่ามันยาวเกินยาวถึงสององค์คดีก็ได้ถือออาหนั่นแล้โกนเดือนไะ้ถือจะกอนจะก้อนเกินเดือนละสองเตียต้องกระมัดเรืโกนเดือนละสองเตียโม่หงบัว่าเห็ดเขาก็เลยบัเห็ดก่อนโกลเดือละสองเตอยมนสมัย ทีหามองเนเช่ห น, น, นึง่งผมเยแงว่าเาคนหัวไอหอดไม่ใสห่หอดแต่ว่ากระบอเบิดทิพหามองเนคนเช่น น, นึงกรบอเบิดเดือยนนึงเกินเช่นนึงกะบอกเบิดที่นี้ข้าบวนมาในพระพุทธศาสนาการเข้าปฏิบัติเพื่อผนทุกข์ม่มีข้อผักตางจะก้นหมดยั่นี่ไหมนี่ไหมเราไม่มีหรอการเข้าปฏิบัติเพื่อผอนทุกปัญหามันบ่ลาย การเหาพัิวัตเพื่อเพื่อปัจไก่ที่กี่ว่าเป็นสราบัเสนาสนะเพศัตว์ปัญหามื่อลายเป็นยักเห่าปัิวัตเพื่อผลทุกเห่าอ่อนรักอันใดมาปัิวัตเพื่อผลทุกก็เพราะว่าได้ใสโลกระางเนี่ยบ่ม่แนวมันแนวเที่ยงจ้กแนวิ่งตะเกิดขึ้นแนวแปรปวนนั่นแจกสลายดินแจกไปเป็นดินหน้าัแจกไปเป็นหน้าผายแต่ไปเป็นผ้าย่มแย่ไปเป็ล่มบุญแจกไปหาบุญบาปแจกไปหาบาปให้ด่านทิศใจ โลกเสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือมูสัตว์โลกผ่านโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แท้โลกที่เราอาศัยอยู่นี่เทวโลกพระแก้ามาพระจ้าดหกชั้นพระมรโลกได้แก่รูปกระผมเจ็ดชั้นและรูปกระมสีชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขารแบ่งออกเป็นสองสังาราพรมหาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอนิจจังเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีคข้อหมายเดียวกันทือว่าอะไระ เมื่อเห็นทุกขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเห็นอนิจจังคณะคิดนึงก็เห็นโลกรอบหนึ่งเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาโกลกลืนกันพอ่อหลริ่มให้ใจเขาออกขออยากว่าเห็นโลกรอบหนึ่งเมื่อโลกเต็มไปด้วยไมิท่านี่ว่ามีภาพพจนอันอื่นนั่นสิมละอาตาโลกแต่ไม่ข้มอยากจะออกจากโลกก็ต้องไม่อยากจะออกจากชณะข้มหลงจากของที่เคยหลงมาว่ามันเป็นของเทียงว่ามันเป็นสุ ก, กว่ามันเป็นตัวตนนั่นะ เขาหลงเนี่ยเขลงว่าเป็นของเที่ยงว่าเป็นของชั่วว่าเป็นตัวตนนั่นเองไอ้ที่แท้โมเป็นตัวตนทักแน่ให้แก่ันจะแก่โให้ยเจ็บันจะเจ็บโมว่าห้ตายันจะตายพวกตายไปมั่วนี่ยมือพ้นได้จากตายจะคนพวกแก่ไปมั่วเนี่ก็ไม่พ่ายากแก่จะคนพวกเจ็บก็ไม่พ่ายจากเก็บจะคนเหนีวไม่พ่ยจากเหียวจะคนอยากก็ไม่อยากจะค้นห่อนก็ไมพ่ายจาก่อนคนหนาวก็ไม่เวลานาพ่ยากหนาวจะค้นจะเป็นธรรมดาก็จริงเป็นธรรมดาทุกข์ไม่มีความแก่ความเก็บความตายเป็นธรรมดาทุกข์เป็นธรรมดาทุก สรรมดาทุกข์มันภาหันผลบอกมาสั่งเข้าเห็นทุกข์ความกับลมหายใจเขาออกสันทะพอใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพี้ยนวัตประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจฟักไปในกรรมฐานที่ตั้งไว้มีมังสามันที่ตองิี่ชนะเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ขุนที่อย่างนี่มีบริบูรณแล้วอาชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์เค่งในเรือพิสัยนักคาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียนในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติและรักชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้พระคือตั้งกําลังห้าอย่างกินตีห้าขอเรียกพระเป็นใหญ่ในจิตของตนผู้ยินดีในโลกทลั้งปวงก็คือยินดีในรูปฌานเพิ่อทั้งปวงผู้เห็นไพ่ในวัฏสงสารทั้งกลางวันกลางคืนบ่อนอ่อนใจในวัฏสงสารผู้นั้นก็เปิดประตูพระในพระเนี่ยว่มีกำเว้นกลางคืนในวัฏสนะงสาร S <S <an> เห็นลมหายใจเข่าครั้งหนึ่งเห็นทั้งความเกิดความแปรปวนแล้วดับไปด้วยลมหายใจออกครั้งนึงคือการคณะจิตนึกขึ้นครั้งนึงพูดออกมาคือกันเห็นทั้งเกิดเกิดแปรปวนและดับไปเป็นระยะระยะระยะนี่เป็นธรรมเวีองสูงเป็นสมาธิเวีองสูงเป็นปัญญาเบื้องสูงอันเลนนีม่มิดนี่มอยเอานี่มิดไปอวดกันอันนี่มิดกินขนมอาไนอันนี่มิดตั้งห้ายมันตั้งยุบมาได้ มันเป็นอนี้จังทุกครั้งหน้ตาเห็นในมิตแสงเดือนแสงดาวเห็นเทววุธเทวดาเห็นพระอินทรพระพุทธก็ฑลใดซึ่งเรานั้มันเกิดดับเป็ี่ยนกันหมดเป็นสังขารกันเรียว่าไปเห็นสังขารสังขารกับสังขารก็ตืนกันว่านเราอาจจะแช่เขานสุดท้ายเเกิดดับเกิดดับเกิดดับลงแต่ไฟเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟมันตองพึ่งกันแนสเพาะผร่างกายเขาเพรนจิตใจเขากัทั้งบุญแต่ไปเป็นบุญทําว่าปแต่ไปเป็น่า เมื่อพคนจากี่เดสแล้วไปสู้พันธะผ่อเนื้อบาปเนื้อบุไปสักบาปกรยังเมือเนื้อบนญกรย่างเมื่อเนือก็ต้องสร้างบนขึ้นบุญยนื้อนพ่อขันบุญพ่อไปสู้พันธานแมาเกิดแก่เจ็บตายอีกเลยแต่อยังเ่เมื่อสียดายจากมาเกิดแก่เจ็บตายอีกเพราะเนี่ยไม่ทราบเคล็ดลาบนี่ยมาไรศาสตร์ไรภมากก็ไม่เห็นไม่ทราบในสงมหาสมาธมมติถ็ามาพอจะเจ็บจะตายจะหลง เมียนชนน้องเมียนไถน้องไยอยู่นี่ในวัฏสงสารนี่และเพราะเป็นจักเทือกหลวั่งเน้งั่จึงอยากํำระสาสานความลงเจ้าของชณะความลงกับนะอยู่นี่แพร่ก็แพร่อยู่นี่มันหยุดเมืองใจของเท่าใดหลือแค่โลกโกดลงใช่หันคว้าขันกำลังขันเน่ยมันบอกเขาเขาแรงนะมันหนาพราแห้งวันนี้เขาเสียเอาธรรมะต่อสูมัน ชนะกั็ชนะเนี่แพ้กับพยยแพ้ยี่เนี่ยแพ้ชนะตั้งนอกว่ามีในพระพุทธศาสนาเข้นถือว่าเป็นเลืเป็นไส้แพ้ก็แพ้ยี่เหนีของตัวชนะก็ชนะยี่เหนของตัวแพ้ได้ชนะทางอื่นไม่มธธีพระพุทธศาสานส า, า, นรสสารพระพุทธศาสานาที่อวิชชาเคล็ดลบในวันตาสงสารเนี่ยนั่นอวิชชาเคล็ดลับว่มาเกิดใจเจ็บใจเองพระพุทธศาสนาทงต่อพันธุ์พาเลยเข้ามาหาความทุกขในโลกนี่หลายชาติหลายพวพแล้ว มาก็ไม่เห็นไม่ในสัมห า, หา ส, มสัมพุทธมณฑลก็บอกมันก็บ่กพ่อว่าเจอว่าเจอจะเจอว่าทุกข้องขันหัสก็มีอยู่สีอย่างทุกเกิดแต่ความมีทรัพย์ทุกเกิดแต่ใจทรัพย์บริโภคทุกเกิดแต่ความไม่เป็นเนื้เป็นสินทุกเกิดแต่ทํางานที่ปฏิจจาตโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อํานาจอนุจังเกิดขึ้นแล้วก็แพร้วนี้แต่สลายคําสอนแต่ละวรบารส่งต่อพระนิพพานหมดคําสอนของพุทธศาสนาเป็นโลกุตรคําสอนไม่ใช่โลกี นับแต่สุภจรปโนเป็นต้นไปที่เรียวกว่าสันทิพย์เชีโผล่ตามก่อนนั่นลงมาไม่รับรองภูมของสุภจรปโนไม่ใช่ได้อยากรลงแล้วมาเสิยน้าไม่ใช่ได้อยากจะซืรร้อศาสตราอืน่นบม่ใช่ไดา้อยากซือ้อยู่ยงข่มกับพันไม่ใช่ได้อ ย, ยากจะจองเว้นท่านผู้ใดผู้พ้นมาทําผิดเล่าท่านผิดมาก่อนเออทําเคยทาผิดเพิ่นจะศาสตรก่อนสามแล้วก่ อ, อ, นรรกอนช่นเน้อ นึกในใจยังไงบ่บ่ so ูดอวดก็ได้เร่าขันเรากอขันไม้หรือขนมะกอเราไม้กรดีกรู้หักขให้มนแล้วกนไปซะว่าจองเว่นผู้ใดก็เถียงดู้ใจห่างว่าจองเว่นนั่นกุ้มระสดวันบ่าเล็นเลขเรีนพเรีนบ้าเลนบอร์อีกกุ่มพระโสดำวันว่าเชียได้่เชี่ยด้ยากเรียนเลเยนพลาเรนบ้านเรีเบร่าเชี่ยได้อยากขายขายเครื่องปะหารขาขายมนุษย์าขายัดเป็นเรงชัดท่ขาดเป็นอหาขายขายน้ำมันขายายยาพิษ บ่าบริษ no ัทรายจัดรวมเมิดและข้าขายอะบริษรายจัดวมลเมิดอันไหนมันกี่วกนักไก่เลยคือเขาบริษัทรายจัดรวมละเมิดหุมทันเพิ่งแล้วเขานักไก่บริษับริษัทรายกเอาน้าลายขึ้นมาอีกกินอีกขาทรมิตร่มันนักไก่บริมันเกี่วกันกไก่เลียงแกงบริษัทรายเพราะเห็นน้ำมันไม่มีประโยชน์เห็นชัดแล้วเพราเห็นแค่เงินเป็นที่เพิ่งเจ้าของได้แล้วเรียกว่าดวงตาเห็นทำนะถ้าเที่ยวมาสระด้านเลยสักท่าข้ามี้หนาขามี้อาหารเปิดรัตัวไปเอง เปิดพักตูจีบพักตูใจพักตูสถิตพักันหน้าค้อมหลงมีเท่าไหร่ว้มสลาดก็บมีเท่านั้นจำมันจังสิสนะความหลงใดพระอรหันต์นี่ยข้อมควมสลาดเนื้อความหลงเจ้าของแล้วคมหลงก็ได้ตีงบาได้ใช่ฮันคว้าฮันกำลังฮันบาได้แล้โกดลงโมมีในคันทะสันดานพวกคนแล้วจีดีเอชถือมาใา่หันคว้าหันกำลังหันมันกับมาได้เพราะก็บผไปนา่งทำอะไดที่ บวกราคะให้จัดขึ้นบวกโทสะให้จัดขึ้นบวกโมหะให้จัดขึ้นอันนั้นไม่ใช่คำสอนของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทำอันใดที่ให้บรรเทาราคะหรือให้เหตุแท้งหายไปทำอันใดอันใดบรรเทาโทสะหรือให้เหตุแท้งหายไปบานหน้าทางจะเหตุแท้งหายไปทำอันใดบรรเทาโมหะโมหะความหลงความหลงของวัตถิยังวัตถุของเทียงของเป็นทุกข์ว่าเป็นของทุกข เขาไม่ใช่ส่วตนเด่นเด่นแล้วเป็นของส่วตนของผัวสวยของงามเด่นเด่นแล้วเป็นของสวยของงามนี่หลงในยูซี่ขอโยนลงมาเป็นขอเดียวไม่หลงในผู้รู้อป็นทศวรรษผู้รู้เ็จะศวรรษผู้เห็นทำสรรพสูตรนี่เราพิจารณาผู้รู้ตามเั็นจริงของผู้รู้เราพิจารณาผู้เห็นตามเป็จริงของผู้เห็นแต่เราไม่ติดอยู่ในผู้รู้ผู้เห็นเลยเราพิจารณาสมุติตามเป็จริงของสมุติเราพิจารณาไม่มมติตามเป็จริงของไมุสติ แต่เราไม่ติดอยู่ในเงืนทั้งสองพระพุทธศาสนาครัพระพุทธเจ้าผู้คนผนไปแล้วบางคนถามว่าลูกปูลูกปูดิฉันภาวนาไม่ข้ามจิตประทอบว่าถ้าสําคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ไม่ข้ามถ้าไม่สําคัญว่าจิตเป็นตนตนไป็จิตมันก็ข้ามอยู่ณนะที่นั่นเองเอาไส้ดิฉันก็ไม่ข้ามภาวนาไม่ข้ามเวทนาสุขุกอุกเบษา ถ้าสำคัญว่าสุขๆเบียขาเป็นตนๆเป็นทุขๆกอุเบีขามันก็ข้ามไม่ได้ถ้าไม่สาคัญว่าเวทนาก็เป็นตสักว่าเวทนาทุกขุกก็เกป็นแใจว่าทุกขุกอุเบีขาก็เป็นตาสอุเบีข า, า, าเกิดดับเปลี่ยนเวียนวนเหมือนกองเกี้ยนเหมือนกลงเปกี้ยนเวียนวนจนเผ่าถ้าเทศณาเห็นอย่างนั้นแล้วมายึดมั่นในเวทนาทั้งปวงว่าเป็นตาสักว่าเวทนาจตรงเพียงนั้นแล้วมันก็ข้ามเวทนาอยู่นั่นนี่นั่นเองเหตุนั้นพราะเรมาศาสตาจชิงว่า เราพิจารณาปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันเราพิจารณาอดีตตามเป็นจริงของอดีตเราพิจารณาอนาคตตามเป็นจริงของอนาคตแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งรา่าเอาวเะ